ใจของวินัยเขารบสงถือสงและกิจสงเป็นใหญ่มั่นในสามัคคีชูธรรมถือหลักการมีประโยชน์สุขของประชาชนเป็นจุดหมายเนื้อหาเท่าที่กล่าวมาแล้วในบทนี้ได้ปัญญาเจตนารม์ทางสังคมของศีลซึ่งแสดงออกในรูปลักษณะต่างๆ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 หรือประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นสำคัญและการมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อสงฆ์และประโยชน์สุขของสงฆ์เจตนารมณ์นี้พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัตินำเป็นแบบอย่างไว้แล้วความเคารพในสงฆ์มีความหมายเนื่องอยู่ด้วยกันกับความเคารพในธรรมและความเคารพในวินยัยหรือความเคารพธรรมวินยัยเพราะการรับผิดชอบต่อสงฆ์ และปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแห่งสงฆ์ก็คือการปฏิบัติที่ชอบด้วยธรรมและเป็นไปตามวินัยการมีความรับผิดชอบต่อสงฆ์และประโยชน์สุขของสงฆ์มีความหมายเนื่องอยู่ด้วยกันกับการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของปะหูชนเพราะสงฆ์หมายถึงส่วนรวมและสงฆ์ได้มีขึ้นก็เพื่อประโยชน์สุขของปะหูชนพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำในการปฏิบัติเช่นนี้ ดังพุทธพจน์ว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาทรงอาศัยธรรมนั่นเองสักการะเคารพนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นปราชูเป็นธรรมมาธิปไตยจัด ก, การรักษาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่ภิกษุ พิสุนีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายโดยไยะว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอาชีวะคามนิคมอย่างนี้ควรเสพอย่างนี้ไม่ควรเสพเราสการะเคารพอาศัยทมที่เราได้ตัดสินนั่นเองเป็นอยู่และเมื่อใดสงประกอบด้วยความเติบใหญ่เมื่อนั้น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 เมื่อท่านถวายแกสงทั้งเราทั้งสงจักเป็นอันได้รับการบูชาและเมื่อจะเสด็จดับขันธะปรินิพานก็ได้ตรัสว่าดูกระอาณ น, น์ธรรมและวินัยที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายนั้นคือศาสดาของพวกเธอเมื่อเราล่วงลับไปภายหลังพุทธปรินิพานแล้วคราวหนึ่ง วัสการพราหมณ์ได้ถามพระอานุนว่าท่านพระอนุนผู้เจริญมีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคตมะได้ทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุนี้จักเป็นหลักอ้างอิงซึ่งเป็นผู้ที่พวกท่านคอยเล่นเข้าหาอยู่ในบัดนี้พระอานุนตอบว่าไม่มีและแม้แต่ภิกษุที่ทรงเลือกตั้ง ที่พิสุเถระจํานวนมากแต่งตั้งเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนพุทธปรินิพานก็ไม่มีแต่กระนั้นดูกระพรามพวกเราไม่ใช่จะไร้หลักอ้างอิงพวกเรามีหลักอ้างอิงคือมีธรรมเป็นหลักอ้างอิงท่านอธิบายการมีธรรมเป็นหลักอ้างอิงว่าดูกระพราม สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้ปาติโมกที่ทรงแสดงไว้มีอยู่ซึ่งเมื่อถึงวันอุโบสถพวกข้าพเจ้ามีจำนวนเท่าใดอาศัยเขตคามหนึ่งอยู่ทั้งหมดทุกรูปนั้นก็จะมาประชุมณที่เดียวกันครั้นแล้วจะเชิญภิกษุรูปที่ทรงจาปาฏิโมกได้คล่องให้สวดแสดง ถ้าขณะเมื่อสวดแสดงอยู่ปรากฏพิสุมีอาบัตคือมีโทษที่ล่วงละเมิดอาตามภาพทั้งหลายจะปรับโทษให้เธอปฏิบัติตามธรรมตามคําอนุสาตการที่เป็นดังนี้จะชื่อว่าพวกพิสุผู้เจริญทำการปรับโทษก็หามีได้ทำต่างหากปรับโทษและพิสุที่เป็นหลักก็มีอยู่ตามคาอธิบายของท่านว่า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 ภาษาธนิยธรรมสิบนั้นคือมีศีลเป็นประหูสูตรสันโดษได้ฌานสี่และอภิญญาหกภิกษุผู้ได้รับมอบหมายให้วินิจฉัยอธิกรณ์คือตัดสินคดีต้องถือหลักปฏิบัติว่าพึงเป็นผู้เคารพสงฆ์ไม่ใช่เคารพ บ, บุคคลพึงเคารพสัต์ธรรมคือความจรงิงความถูกต้องความเป็นธรรมไม่ใช่เคารพอามิ หมายเหตุเชิงอัดเขารบในที่นี้ถ้าเกรงเข้าใจความหมายในภาษาไทยคลาดเคลื่อนท่านแปลว่าหนักคือหนักในสงไม่ใช่หนักในบุคคลหนักในสัต์ธรรมไม่ใช่หนักในอามิดพระอระหันตสาวกผู้ใหญ่ก็ต้องประพฤตินำเป็นตัวอย่างในการเอาใจใส่กิจของสง์เช่นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้พระมหากรปินะ ไปร่วมประชุมอุโบสถสังฆกรรมตรวจสอบทบทวนการประพฤติปฏิบตัติตามพระวินัยแม้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วและพระมหากษัตริยอยู่ห่างที่ประชุมสงฆ์ทำอุโบสถประมาณ4ี่กิโลเมตรเมื่อถึงวันอุโบสถแม้จะเดินทางลำบากต้องลุยข้ามาแม่น้ำสายหนึ่งระหว่างทางท่านก็เดินเท้าไปเข้าร่วมประชุมพระพิสุทธอรหันต์หรืออนาคามี ที่เข้านิโรธสมาบัติได้ก่อนจะเข้าสมาบัตินั้นต้องกําหนดใจไว้ก่อนว่าถ้าเมื่อเราเข้านิโรธอยู่เจ็ดวันสงต้องการจะทําสังกกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นยัตติกรรมเป็นต้นเราจักออกทันทีไม่ทันให้พิสุดใดต้องมาเรียกเพราะอานาคืออํานาจของสงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเคารพ เมื่อมีเรื่องราวเหตุการ์สำคัญเกี่ยวกับประโยชน์สุขของสงส่วนรวมหรือกระทบถึงความเสื่อมความเจริญของพระศาสนาภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะพระอระหันต์จะต้องใส่ใจขนขวายจัดทาดำเนินการเช่นการจัดทาสังายนาจำระสงให้บริสุทธิ์การป้องกันทมจากความคลาดเคลื่อนหรือจากบุคคลและลัทธิที่จาบจ้วงกล่าวร้าย การรักษาพระศาสนาให้อยู่รอดระหว่างมีภัยตลอดจนการช่วยกันสร้างสัญหาและรักษาตัวบุคคลผู้สามารถรักษาหรือเชิดชูพระศาสนาเป็นต้นและเมื่อกิจของสงเกิดขึ้นเช่นนั้นแล้วผู้ใดเพิกเฉยละเลยสงย่อมลงโทษเอาได้แม้ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นพระอรหันต์และเหตุที่ทำให้ไม่ได้มาร่วมจะเป็นกิจส่วนตัวที่ดีงามไร้โทษ เช่นเข้าฌานสมาบัติอยู่เป็นต้นก็ตามเมื่อสงฆ์มีมติลงโทษผู้ถูกลงโทษมีโอกาสถแถลงชี้แจงเหตุผลแต่เมื่อสงฆ์ชี้ขาดอย่างใดก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นเช่นกรณีของพระอานนท์ในการสังคายาาครั้งที่หนึ่งดังเคยกล่าวถึงในตอนว่าด้วยภาวะทางความประพฤติของผู้บรรลุนิพพาน้างต้นแล้วไม่เฉพาะเรื่องราวสาคัญใหญ่โต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 เช่นในกฐินนกรรมซึ่งสง์ตกลงกันมอบผ้าของส่วนรวมให้แก่พิสุรูปใดรูปหนึ่งพิสุทุกรูปไม่ว่าจะเป็นพระเถระหรือมีคุณพิเศษใดๆก็พึงต้องมาช่วยกันทำผ้านั้นเป็นจีวรให้สำเร็จ